ความหมายของพระพุทธศัสนาเทสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาในวัฏรงสารกว่าจริงแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกสิ่ธรรมดาพระโสดาบันเดินผ่าศูนย์กลางออกจากควองทุกแล้ธรรมดาพระสกทาคามีก็เหมือนกันธรรมดาพระอนาคามีจะข้ามทุกแล้ว ธรรมดาพระอรหันต์ข้ามทุกไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมนิยมของพระอรหันต์ก็นิยมไปอย่างหนึ่งสังคมของพระสโสดาบันชกทาคามีอาลาคามีก็เป็นสังคมนิยมที่ไปแถวเดียวกันไม่ปีนเกียวสังคมของพวกโลคีก็ปียงเปียวกันกับท่านเหล่านั้น ป, ประชาธิปไตยก็เหมือนกัน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 ถ้าถึงปสวดดาบันเนี่ยสักตาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ่งมือถ้ายังไม่ถึงเลยยังไม่อยู่ในอุ้งมือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสาร จะเป็นฐานะที่เลื่อนขึ้นไปหาพระโสดาบันทักนาคามีพระอน า, าคามีพระอรหันต์เป็นฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะขาดทุนลงม า, มาเป็นสัดย์เดชานเข้าใจผิดโสเป็นโศตายต่อพระพุทธศาสนาเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมือ่อ เลือได้ไม่เลือได้ก็ดีจะขมามอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยหลว ด, ดมันก็หมดปัญหาในเรื่องพระพุทธศาสนาถ้าถึงอย่างนั้นพูดถึงอย่างนั้นกับพู้สุปฏิปันโนก็มีความหมายเดียวกัน พูดถึงอย่างนั้นก็ไม่กล้ามกล้าอาบายมุกทุกประเภทเพราะเก่งจะเป็นเชีย่ยนน้าต่อธรรมักของตนและไม่เสียดายอยากทำด้วยถ้ายังเสียดายอยู่ก็ไม่ใช่พระสุปฏิป น, นุเห็นมันเป็นทางชิบหายไม่มีสารอุทรจริงๆจึงเป็นสุปฏิปนนเป็นต้นไปอุจุยาญาก็เหมือนกัน ไม่ค่าขายเครื่องประหารไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพาเป็นอาหารไม่ค่าขายน้ำเมาไม่ค่าขายยาพิษกฎของสุปฏิปันลุไม่มีใครมาบังคับเป็นเองไม่ควบมิดชั่วเลือกคบมิดแต่ที่ดีแต่เมื่อไม่คบเขาก็ไม่ให้กระตือนเขาแต่เมื่อคบเขาเป็นบางเวลาก็ไม่ตายใจกับเขา คาว่าคบหมายความว่าประพุตกับเขาจึงว่าพบไปพบเห็นกันเจ้าข้างเจ้าขาวหรือโรงงานโรงงานกันเจ้าข้างเจ้าขาวเพื่อรักษาความสงบไม่เรียกว่าพบประพฤติอย่างเขาจริงจริงจึงเรียกว่าพบเขาพบกับคนชั่วเราไม่ยอมประพฤติกับเขาแต่ไม่ให้ะเทือนเขาเดียวว่าไม่ครบร่างกายสังขารเป็นของใครก็เป็นของสังขาร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 มองปราบสกนลนากายให้ป่วยเน่าเขอยู่ด้วยกันพวกนี้ทํางานคนละแผนกแผนกแผนกไม่ก้าวไกลกันทำจัจํานวนนี้เราก็ต้องรู้ตามจริงๆเราก็ต้องพิจารณาตามจริงๆถ้าว่าอย่างนั้นเราก็จะหลงหลงมาก่อเกิดก่อเขก่อเก็บก่อตายมาก่ออนิจจัง เป็นธาตุอนิจจังเพราะหลงอนิจจังเป็นธาตุของทุกขังเพราะหลงทุกขงังเป็นธาตุของความหลงเพราะหลงหลงหลายๆหล่ำๆพระอริยเจ้ า, ญญาท่านกู้ชาติกู้คบได้แล้ว พวกที่ยังไม่ถึงพระอริยรจเจ้าผู้ชาติผู้พศไม่ได้ย่าเป็นธาตแอ่งตันหาตันหาธาโศเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เห็นไทยในวัฏสงศาลเห็นแต่เพลินกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนะั้นข้าจะเอาอย่างอย่างนี้ดิฉันจะเอาอย่างนี้คนหนูจะเอาอย่างนี้คุณย่าคนป้าจะเอาอย่างนี้ในทางวัตถุนิยม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 ถ้าต้องการจะ ก, กินปุ๋ยต้องการกินผักทางวัตถุนิยมก็เป็นเสียงทางไกลสำหรับกายะสังขารธรรมะทั้งหลายเป็นเสียงเดินทางไกลของกิจตาสังขารพอขึ้นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนทาใหม่เปลี่ยนทาอันไม่ตายพอถึงที่เนี่ย ทำที่ปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หอบไปพรนิพพานด้วยปฏิบัติเพื่อถึงพรนิพพานต่างหากถ้าจะเอาทําอยู่ในโลกหอบไปพรนิพพาน mm hmm. ก็ค่อยๆก็ว่ากล่าวตัวว่าพรนิพพานอดอยากไม่มีทันต้อนรับจําเป็นต้องได้เอาไปจาก โลกจากสังขารเป็นชเวียงเดินไปพอถึงเท่านั้นชาติภพก็เป็นพ้นทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วชาติภพไม่มีเอาชาติภพไปด้วยมันก็ไม่ถูกเป็นอริยาชาติแล้ววิชาติอันไม่ตายคือพบอันไม่ตายน่าจะพิจนารนณาอ ย, ยาบๆภพอันไม่เกิดพบอันไม่แก่พบอันไม่เก็บ เพราะแม่มาตายสุขแล้วมันกลับมาเป็นทุกข์ทุกในใจโลกธาตุก็คือสุขมาชั่วขณะเดียวก็มีทุกข์ทั้งสองทั้งเข่ามาด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อสุข ไม่จรัง ย, ยังยืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ลวนไปซึ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือมันมีวิญญาณก็ตามเหตุที่ไหนมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเหตุทไหนมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันมาอยู่ในอำนาจราชนาของใครไม่ให้แก At ่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันไม่ให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับมันก็มีความหมายอันเดียวกัน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 ท่านเทียบใส่ตอมน้ำบ้างเทียบใส่พยัยมเลนบ้างเทียบใส่กระทะดินบ้างเทียบใส่ต้นกล้วยบ้างทำเพื่อชวดชิดทำเพื่อกรดสังเวช ท, ทำในทางพระพุทธศาสนาทำเพื่อเคล็ดลับในวัฏสงสารด้วย มให้เพลินในวัฏสงสารเหมือนมวลำให้เคล็ดลาบในวัฏสงสารอย่างแยบคายอย่างสรลดสังเวชสังเวชตนที่เคยลงมาสังเวชท่านผู้อื่นที่เคยลงมาสังเวชจัตทั้งหลายที่เคยลงมาสังเรวชตนด้วยหิวนอนเป็นของใหม่หรือของเก่าของเก่าที่เราเคยนอนมานั่นเอง หิวอาหารก็เป็นของเก่าที่เราเคยหิวมาเกิดแก่เก็บตายก็เป็นของเก่าที่เราเคยเกิดแก่มาแล้วนะไม่ใช่ของใหม่มันมาเป็นรอบๆเมื่อเป็นอย่างนี้ปัญหาจะหลงในเกิดแก่เก็บตายหลงในโลกทั้งหลายมันก็บาวางไปแล้ว เมื่อเบา ว, า, วางไปปัญหาที่จะสอดแท้ตของตนเองก็ต้องเบาบางลงองกีกเหมือนกันปัญหาของตนก็น้อยลงปัญหาจะเพลินในวัฏรสงสารก็น้อยลงน้อยไปน้อยมาก็เลยหมดกันก็จบกันเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาก็จบจิตความหลงของตนนั่นเองจบจิตความเพลินนั่นเองจบจิตธุระความเพลินในวัฏสงสารนั่นเอง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 จะชนะความแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก๋จะชนะความตายด้วยความไม่ยินดีในตายถ้ายินดีในเกิดก็เท่ากับว่ายินดีในแก๋ในเก็บในตายในตัวนี้ก็เท่ากับว่ายินดีในชาติแในพบอยู่ในตัวคําว่าโลกโรกับคำว่านั่นหลุมฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกันคําว่าชาติชาติพบพบนั่นนั่นหลุมฐานเพิง ก็มีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำสุภาพเฉยๆหรอกเพราะมีรสชาติอันเดียวกันจะเรียกต่างกันก็ตามแต่มีรสชาติอันเดียวกันไม่ถึงชั่วโมงแล้วหรืยังพูดไปพูดมาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ เนสัตถโมพระธรรมเป็นของเก่าถ้าไม่พูดเรื่องกองทุกก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดเพราะวัฏจาทุกษามันรสของชาติของมันมันเป็นทุกข์วานเทพถ้าไม่พูดว่าผมมันก็ขี้เท็จที่นี่ชาติถ้าไม่พูดว่าเป็นทุกข์ารรมชาติชาติพระบรมศาสด า, าไม่รับรองว่าเป็นสุข ชาติปีตุขขาเนีขาดตัวแล้วมันมีสารอุซอนชาาปีทุขขาขาดตัวแล้วเป็นอิ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพมเป็นยมเป็นพระกาลเป็นจ้ตุโลกบาลทั้ <arithmetic> ทงสี่ไม่เป็นทุกข์หรอกชาติก็ตามไม่ได้บัญญัติไวในคัมภีรไหนๆเลยชาติปีทุขขาตีตะลุดเลยชาติเป็นทุกข์ชาาเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์ชาติปีทุขขาปีแปลว่าแม่เป็นทุกข์ <sh> ไม่ยกเว้นเพียงเห็นชาติทุกอันเดียวข้อมก้มลงข้ามลงออกก็มีกําลังเหมือนกันลมออกก้มเข้าอย่นั่นแหละคือชาติทุกคือแก่ทุกคือเก็บทุ ก, ค, ก, ทกคือตายทุกถูกเหมือนกันอันเดียวกันเป็นความหมายอันเดียวกันเพราะตายจาก ลมเข้าตายอยากลมออกเวียนไปเวียนมาอยู่ลมหายใจเข้าก็เป็นชาติหนึ่งเลยตายจากชาติลมหายใจเข้าก็มาตายจากชาติลมหายใจออกก็ここเวียนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งตายหลายครั้งนี่ยังหยาบอยู่เดี๋ยวก็นึกอันนั้นเดียนน๋ยวก็พูดอันนี้เดี๋ยวก็นึกอันนั้นตายจากความนึกความคิดอันนี้ก็มาเกิดความนึกความคิดอันนี้นี่ยังละเอียดมากเล ถ้าเกิดทียึดเหมือนพระยศเดียกนี่ถ้าอดีตเจ้าท่านเบือน่ายครายเมามดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจัดเป็นบุคคลท่านทรงคืนหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตท่านทรงคืนหมดไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือจิตของท่านว่างเลย ว่างจากความยึดถือใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งบริโภคมศาสานาเราเอาพิจารณาให้ยิ่งแล้วนะถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างยิ่งให้ติดต่ออยู่ความหลงของพวกท่านทั้งหลายก็จะหายไปแล้วก็จะไม่รวมผลมาเพราะท่านทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริง ชะแพร่ทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาชนะก้อยชนะกิเลสของตนแพร่ก้อยแพร่กิเลสของตนเท่านั้นพระพุทธศาสนามีความหมายเท่านั้นแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเท้ นี่เอาแพ้เอาชนะพลายนอกมากูข่ามึงมึงข่ากูกูแย่งมึงมึงแย่งกูมันไม่ใช่แพ้นเวียนสนองเวียนแพยสนองแพ้กูทีมึงทีเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันกูชนะมึงสิบสองตัวมึงโมงกูก็ชนะมึงอีกสิบสองตัวโมงค่ายๆกับอย่างนั้น มึงมีอิทธิพลทางสว่างกู ม, มีอิทธิพลทางมืดกูทีมึงทีอยู่เวรอันนั้นไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นเวรใกล้ๆอย่างนั้นเทียบเป็นบุคลาธิตานแต่ถ้าสว่างในทางโลกุตระไม่ขบดคืนมาเป็นมืดถ้าอาทิตย์กลางวันกับกลางคืนยังขบฏกันอยู่ถ้าไม่ใช่โลกุตระเป็นสังขารพิเศษต่าง ทังคานที่ไม่มีวิญญาณเป็นสังคานไปจําโลกไปจำโ ล, ก, ำลกก็ไปจําทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันประจํธาตุพานากับไปจําสุขก็มีความหมายอันเดียวกันมันก็มาหา สกลละกายสกลระวาจาสกลละใจของเก่านั่นลบาลีกายบาลีวาจาบาลีใจกระทู่กายกระทู่วาจากระทู่ใจยื่นกระทู่ลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจยื่นบาลีลงมาเป็นหนึ่งก็คือบาลีใจ ย่นมูลลงมาเป็นหนึ่งก็คือมูลใจมูลจิตมูลใจที่ทำดีทาชั่วมรดกตั้งเดิมย่นลงมาก็คือมรดกใจพอมาเกิดก็เอาใจดงเดียวมาเกิดแน่นารวกสวนก็ไม่ได้เอามาด้วยถ้าจะไปก็เอามรดกเดิมนี่ไปถ้ามีกุศลกุศลบุญก็ไม่ขาดทุนถ้ามีแต่หาบาปไปก็ขาดทุน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 จะไปเรียกว่าใจเก่าๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพราะหันที่ท่านตายสที่ท่านิ้นลมตราณไปแล้วจะบัญญัติไหวใจองั้นก็ไม่สมฐานะก็เรียกว่าทําอันไม่ตายทําอันไม่เกิดทําอันไม่แก่ทําอันไม่เก็บ ท, ทำอันไม่ตายเช่นเราแก้มตอบฟันหากอย่างนี้ แต่เป็นบัญญัติว่าเด็กชายมันก็ไม่สมฐานะ่ะต้องคุณปู่คุณตาคุณพ่อหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูไปอย่างนั้นก็ไม่สมฐานะอ่ะแว่าดอชอดอยอมันก็ไม่ถูกฉันใดก็ดีพระอรหันต์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้ว จะเปบรรดาดใจก็ไม่ถูกเพราะบัญดาดเกินไปไม่สมฐานะใช่ล้วก็เข้าสู่พระนิพพานทำอันไม่ตายแล้วมาตังในไปยังขตาปัจเย ก, กันที่นี่ทรมาอึกทึกทำมาอุกทึกมากกับไม่ได้พักเลยทำมาอึกทึกมาก <c oughs> มันเป็นจุกพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆมันนอนไม่หลับเออไม่หลับก็ดีแล้วมันหลับมาหลายภพหลายชาติเนี้ยมันก็ดื่มไม่อร่อยฉันไม่อร่อยมันก็อร่อยมาหลายภพหลายชาติแล้ว ก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ก็พอไปตามภาษาพเทธะเลเดินตะงกวงก็จับที่เรานะ <c oughs> เดินไปเดมยถ้าป่วยมาก็จับนะถ้าไม่ป่วยก็เดินไปเลยตอนกลางคืน น, นี่ไฟไฟไฟไฟเห็นผลไม้่ะเอาให้อีก พรุนราชิการมาบวชก็มีประโยชน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะท่านเหล่านี้เป็นหัวจักมนุษย์คนท่านสูงเป็นหัวจักตามสูงเป็นหัวจักของราชการเหมือนกันเพเป็นอย่างงของเขาอย่างงของพรุทราชการ ก็แค่นี้เงินเดือนเงินดาวถ้ า, าว่าข้าราชการเลื่องสายในพระพุทธศาสนาแล้วบ้านเมืองของเราก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปอีกถ้าหากว่าไม่มีข้าราชการยินีในพระพุทธศาสนามาบวชจะเลยมันก็ไปอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นนั่นสมเด็จพบรมราชาทั้นจึง ทรงพนวดทรงอุปสมบทเพื่อเป็นย่าองอย่างทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระองค์ท่านด้วยสืบมาเป็นธรรมเนียมมันที่ควรเคารพเป็นธรรมเนียมมันที่ควรบูชา ทุกๆก็องเมื่องค์ท่านมีโอกาสองค์ท่านก็ละคาราวาดวิสัยช่อข้างช่อ้าวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทท่านก็ไปอุปสมบทฝ่ายมหานิกายก่อน เมื <ME> ่อพระองม์ทบวฝ่ายมหานิกายแล้วท่านก็ทรงเสด็จมาทรงยัติกรรมในวันนั้นทอดสะพานอนุึกรึ่งเหมือนกันม่าให้กระทบกระเทือนทั้งสองเนิ่กายทรงพระฉลาดมากทรงพระปัญญามากถ้าหากว่าจะบวชในฝ่าย ธรรมยุตธโดยตรงๆก็จะกระเทือนฝ่ายทางนั้นหลวงท่านก็ทอดสะพานทุกอย่างเพราะธรรมยุตธก็มาจากมหานิกายมายติเขาโจมตีหลวงปูเทศด้จังหวัดตังนาบอกว่าธรรมยุทธ์นี่ มันทำสังฆเพศทั้งไม่แตกจากกันแล้วภูเทศก็ตอบว่าเป็นธรรมยุตก็แตกมามาจากมหานีกายถ้าหากว่ามหานียกายเป็นเป็นผู้ดีทำไมถึงให้พวกตนแตกออกหนีทำไมถึงไม่รักษาไว้เขาก็หมดเฉียงเลยยัดคืน รูวงปูเทียนไม่ใช่ของง่ายๆปัญญาเก่งเหลือเกินทีนี้เขาก็ดูถูกดูเหมิ่นล้มเด็ดพระบรมราชาพระจรองก้าเขาก็จับใส่คุกซะทปีนั่นเรื่องสังฆเภทในพระมินาย มหานิกายก็ทําสังเฆเพศธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทําสังฆเพศมหานิกายไม่ได้นางสิขามานาก็ทําสังฆเพศไม่ได้นาสัมเนลีก็ทําสังฆเพศไม่ได้ทิกซุนีก็ทําสังเฆเพศทิกคุโนไม่ได้อุบาสุอุมาธิกาก็ทําสังเฆเพศไม่ได้ผู้อยู่ต่างอาวาส ในสิน่งอื่นๆแต่เป็นนื้อกายเดียวกันไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกันไม่ได้ลงอุโบสถต่วงกันก็อยู่คนละห้นละแห่งก็ทําสังฆเพศไม่ได้แต่เป็นสังฆร า, าชีความน่ารางนี่ทาสังฆเพศกันได้ถ้าจะทํานอกจากวัดอื่นแล้วทําไม่ได้เพราะไม่ได้ร่วมอุโบสถกันเพรอยู่คนละห้นละแห่งไม่ได้เป็นสามัคคีสมานทั้งวัดกันอยู่ แต่เป็นความเล่าล้านนี่กว่าสังขาราชีเราออกพรรษาแล้วละาาล า, ลาชิขากว่าดีเราเป็นเพียงละละเพศเท่านั้นส่วนจิตใจของเราไม่ละไปไหนถึงรพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เป็นเพียงละเพศของทุกสุเท่านั้นส่วนถึงใจสนธนาคมนั้นเราถึงอยู่ทุกเมือ่อ เราจะทําตนให้เป็นบันทิตโตคารมาวสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนเราจะจงรักภักดีต่อทิ้นห้าจะจงรักภักดีต่อการทํามาหาเนียงขีดจะให้เป็นบันทิตโตคารมาวาสังเป็นบันทิตผู้ครองเรือนในฝ่ายคระราวาสมันเป็นเรื่องอย่างๆเขาทาก็อ่านเก่า การพนันทุกประเภท ล, ลาลาเสียขาออกไปแล้วก็ไม่ควรน้ำมิดยิงสัวเทนี่เราก็ไม่ควรไปหือห่อเหืมเสียเกียรเสียยศของเราถ้าเราไม่ห น, นักทางการมอารมณ์เรานึกละอายนึก นึกละอาเพศที่เราเป็นอยู่นึกห่วนคืนหลังนึกละอาเพศที่เราเดินในกรมภาวนาที่เราได้บวชปฏิบัติถึงแม้จิตฤเลิจะไม่มีมากกระเพียงไหนก็ตามก็เป็นเหตุให้เราหวนวลในลึกของเราที่เป็นมาอย่ทำให้ราคะนึกความกำหนัดของเราผ่อนลงเหมือนกัน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 ประชาชนก็ดีข้าราชการก็ดีผู้ที่ไม่เรื่มใสายในพุทธศาสนาข้าราชการพวกนั่นก็ดีประชาชนพวกนั่นก็ดีพวกนั้นแหละจะชอบปีนเกลียวในทางาพุทธศาสนาหรือในทางอะไรก็ดีขอให้เห็ง่ยง่ายเหมือนกัน น า, น, าานาพาโบวิณาพาโบจะได้พักภา ก, กันไปตามสติกำลังถ้าหากว่าเราเป็นผู้อาภัพมันก็ไม่อาภัพ บ, บ้างถ้าถ้าคิดไปให้ละเอียดแล้วรูขที่มาอยู่ด้วยผู้เป็นข้าราชการก็มีผู้เป็นชาวนาก็มี ผู้เป็นช่างไม้ก็มีผู้เป็นช่างกลก็มีผู้เป็นช่างจับก็มีทำให้เราสาระเหมือนกันถ้าจะว่าเราอาพับก็ไม่อาพับมากเพราะแต่และท่านละองค์มีงานช่วยเหลืออยู่ ไม่ทางตรงก็ทางออกทุกทุกท่านผมก็ไม่ถือเป็นของนักไก่เพราะพอเป็นพอไปอยู่ตามฐานอันดอนสับที่ออกภาษาแล้ว กะถิ้นก็แล้วไปเมื่อท่านผู้ใดจะไปเที่ยวในทิศทางสี่ 4, สำหรับผู้ยังที่ยังเ่ลาสิกษาก็ขอให้ผ่านพ้นเดือนท2สองเพ็นวฤศจิกายนตอนเพลนข้างแรงเสียพอนเพราะเหตุใดถ้าเาเราไปแห่งอื่นถ้าไปถามเกาะไปเที่ยวตามสำนักถ้าเขามาทอดกระถิ่น ก็จะบอกว่ามาจากภูจก็เมื่อเป็นเร่องนี้ให้มันผ่านพ้นไปซะรักษาขอรับปฏิบัติของลพบูญมั่นไว้ลพบูญมั่นถ้าไม่ผ่านพ้นเหตุกระถิ่นไปท่านยังไม่ให้ยอมให้ไปเที่ยวถ้าหน้าไม่เหมาะสมถ้าไป ถ้าจะไปตามบ้านตามเมืองหรือตามนิคมก็ดีหรือตามสำนักก็ดีไม่เหมาะสมถ้าพูดอย่างนั้นพเพราะเกศกระถิ่นยังไม่หมดดูไม่งามยังไงะถ้าหากว่าไปเที่ยวในป่าในดงจะทำนั่งร้านก็ดีเพราะดินก็ยังไม่แห้งเดี๋ยวก็ไข่จับไข่าขาขาอาภาษทยางไงนะยังไม่อค่นแล้วดูฝน เราไม่ได้ตื่นวันคืนเราไม่ได้ตื่นปีตื่นเดือนเราพรรษาเข้าพรรษาเราก็ไม่พอยนางเราพรรษาแท้เราก็ไม่พอยนานเข้าพรรษาแท้เราก็ไม่พอ ย, นน เ, เ, รอยเราถือว่าเราเข้าพรรษาอยู่ทุกวันเข้าพรรษาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราถือว่าเราออกพรรษาอยู่ทุกวันคือออกจากมิจฉาทิฏฐิ ที่เห็นเหตจากํานองคลองทรมีหมื่นคนมีล้านคนมีเท่าไรล้านล้านกระจางส่วนดินหน้าไฟลมก็เกิดมาหนุนแผ่นดินมาบวกแผ่นดินมามาบวกธาต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 ทั้งชัว่วกขาประกาศความชัว่วจะพูดออกรือไม่พูดออกก็ตามมันประกาศอยู่ในตัวแล้วนับที่รเกล้วหัวหน้ามะมันไม่มีที่รับ